คนถ้าสนใจธรรมะก็โอกาสที่ชีวิตจะดีขึ้นมันก็มีนะไม่สนใจธรรมะนะโอกาสที่ชีวิตจะดีขึ้นไม่มีหรอกธรรมชาติของจิตถูกกิเลสลากลงต่ํำตลอดเวลาถ้าไม่สู้กับมันก็ถูกมันลากไปเรื่อยๆจะดีวิเศษแค่ไหนแต่ประมาท ปล่อยกายปล่อยใจตามกิเลสเล่ยไปก็ตกต่ำลงเรื่อยๆโดยธรรมชาติเหมือนน้ำไหลลงที่ต่ำต้องรู้จักทดน้ำเหมือนกันทดน้ำให้มันสูงขึ้นมีศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือพระพุทธเจ้าสอนเครื่องมือมาให้หมดแล้วสมต่อสาม กิเลสราคาโทสามโมหะสามตัวธรรมะศีลสมาธิปัญญาสามตัวใครจะโชคใครหมอบอยังไม่แน่อยู่ที่พวกเราเองพระพุทธเจ้าให้ของดีของวิเศษเลยแต่โดยธรรมชาติคนไม่เอาคนเอาอาธรรมเอาความไม่มีศรรมมีลมทถามากิเลสใจธรรมชาติของใจไหลตามกิเลสไปเรื่อย ตามกิเลสไปเพามันเที่ยวหาความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเที่ยวเพลินเล่นไปได้สนุกหาความสุขคนีน้ทั้งรูปเสียงกลิ่นรสปุถะพระอะไรพวกนี้เครื่องมือของกิเลสมันาหลอกให้เราติดอยู่ในโลกก็ยากที่คนคนหนึ่งจะพ้นโลกได้เพราั้นธรรมะก็มีหลายระดับ คนไหนมีบุญบา ร, รมีพอพระพุทธเจ้าก็สอนธรรมะวิธีที่จะพ้นโลกไปคนไหนบุญบา ร, รมีไม่พอทนะ่านก็สอนธรรมะที่จะอยู่กับโลกแบบไม่ทุกข์มากนะักทุกข์พอประมาณวันหนึ่งข้างหน้ามีเรี่ยวมีแรงก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปธรรมะก็เลยมีสองระดับธรรมะอยู่กับโลกเรื่อโลกิตธรรมธรรมะที่จะพ้นจากโลกไปสู่โล ก, กุตรธรรม มีสองแบบไม่เหมือนกันหรอกทีเนื้อหาบางอย่างนะฟังแล้วงงขัดกันอย่างธรรมะอยู่กับโลกท่านสอนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอัตตาหิอัตโนนาโทมิอัตตามีตัวมีตนทำไมต้องมีอัตตามีตัวมีตนก็คล้อยตามโลกแล้วคนทั้งโลกมันรู้สึกว่ามันมีอัตตามีตัวมีตนก็คล้อยตามโลกพูดตามโลก พาถึงขั้นธรรมะพ้นโลกนั่นก็พูดถึงว่าทำทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่มีตัวมีตนฟังแล้วขัดกันจริงธรรมะต่างระดับคําสอนก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าธรรมะอยู่กับโลกนั่นก็เป็นธรรมะที่จะสามารถอยู่กับโลกได้มีความสุขหน่อยแล้วก็มีโอกาสที่จะขยบตัวเองพัฒนาตัวเองไปสู่ธรรมะพ้นโลกที่หลัง ถ้าไม่มีกระทั่งจริยธรมธรมธรรมที่อยู่กับโลกก็มีแต่ตกต่าไปเรื่อยๆนเวลาเราฟังธรรมะเราต้องแยกให้ออกว่าธรรมะที่เราฟังนั้นเป็นธรรมะระดับไหนต้องรู้เนื้อหาสาระนะว่าธรรมะแต่ละขั้นไม่เหมือนกันทางที่ดีต้องรู้บริบทในการที่ท่านแสดงธรรมแต่ละเรื่องนั้นด้วย ฟังแต่ธรรมะอย่างเดียวไม่รู้ว่าสอนใครสอนคนระดับไหนก็ติความเพี้ยนเพี้ยนได้ก็สอนคนกิเลสหนานนก็สอนไปอย่างนะสอนคนเจ้าทิฏฐิก็สอนไปอีกอย่างสอนคนกิเลสบางสอนคนที่มีทุลีในดวงตาน้อยก็สอนไปอีกแบบยังพวกเราจะชอบฟังธรรมะที่ท่านสอนประณีต ใครเคยได้ยินชื่อพรามพาวรีไหมพรามพาวรีไม่เคยได้ยินหรอพรามพาวรีเนี่ยนะเป็นคนมีสติปัญญามากเป็นพรามนะไม่ใช่พุธหรอกมีลูกศิษย์เอกอยู่สิบหกคนท่านอาชิตะคนแรกหลวงทายชื่ออะไร <c oughs> จำไม่ได้ฮะ <c oughs> เออปิงขียมีสิบหกคนนะสิบหกคนนี้จีเนสทั้งนั้นเลยพรามภาวรีก็ส่งสิบหกคนนี้บอกให้ไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะถ้าได้อะไรดีๆให้มาบอกบ้างแกไม่ไปแกอาจารย์ใหญ่ส่งลูกศิษย์ไปดูก่อนถ้าใช้ได้แล้วก็คงคิดอยากเรียนธรรมะเหมือนกันใจไม่ใช่ใจชั่วร้ายอะไร เราไม่ได้ห่วงลูกศิษย์นะลูกศิษย์ไปเรียนธรรมะที่ลูกศิษย์สิบหกคนเรียนเนี่ยเป็นธรรมะที่สูงมากเลยเธรรมะที่สูงที่ประณีตมากเลยอย่างท่านหนึ่งชื่อโมคราชโมคราชนี่มีชื่อเสียงโด่งดังมากตามธรรมะได้ลึกซึ้งมากเป็นลูกศิษย์ระดับต้นๆ น, นะไม่ใช่เบอร์หนึ่ง เบอร์นหนึ่งชื่อท่านอาชิตะพอไปถึงเ้าก็ถามกันตามเซนลิตี้ท่านอาชิตะถามก่อนพระเจ้าก็ตอบถามไปคนสองคนแนละ้วถึงท่านโมก ร, ราชนะท่านโมก ร, ราชถามพระเจ้าไม่ตอบลําดับลองไปก็ถามถามนะถามไปช่วงท่านโมคลาชถามอีกก็ไม่ตอบอีกนจะนเกือบโลเลยเกือบจะโละแล้วทาไมไม่ตอบไม่รีบตอบใจร้อน พวกปัญญากล้ามากๆใจร้อนอยากจะฟังเร็วๆคื่นได้เร็วๆคิดหนักะท่านไม่บอกง่ายๆเส้นถ่วงเอาไว้คนท้ายๆเลยโมกราชถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลตามเห็นโลกอย่างไรนะมัจจุราชจึงมองไม่เห็นพวกเรารู้ไหมเห็นโลกไงมัจจุราชจึงไม่เห็นท่านบอกมองเห็นโลกดนความว่างเปล่า คนเห็นโลกโดยความว่างเปล่าความเป็นของศูนย์มาจุราชมองไม่เห็นโอ้ยอ่านแล้วสะใจนะเรื่องของลูกศิษย์พรมพอรีสิบหกองแต่สิบห้าองนะทิ้งอาจารย์หมดเลยลืมนะฟังธรรมมาแล้วก็เปลินนะ้ำบรรลุพระอรหันต์ไปเหลือองค์เดียวองค์สุดท้ายรูนะ้สึกจะเป็นญาติญาติอาจารย์พยายามจะจำไวนะ้น่าจะได้เอาไปบอกอาจารย์ด้วย ทำไมท่านสอนบุคคลตามเห็นโลกโดยความว่างเปล่าถามสอนถึงสุญญาตาสุญญาตาไม่ใช่เรื่องกระจกสุญญาตาไม่ใช่มิจฉาทิฏฐินะมันมีคล้ายๆตัวหนึ่งนะชื่ออุดเฉททิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดว่าทุกอย่างมันสูญไปนะเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือสุญญาตาว่างเปล่าโดยไม่มีเห็นไม่มีผลไม่มีการกระทา อันนั้นก็ใช้ไม่ได้อะไรๆก็ไม่มีเหตุเรียกเป็นมิจฉาทิฏฐิชื่ออเหตุุุกะทิฏฐิไม่มีการกระทําเรียกอกริยะทิฏฐิไม่มีอะไรเลยเรียกนาฏิกะทิฏฐิคําว่าว่างคําเดียวนะพาไปสู่มิจฉาทิฏฐิได้ตั้งเยอะทั้งแยะนะงั้นก่อนคนจะไปฟังธรรมะถึงระดับว่างเนะี่ยผ่านธรรมะระดับต้นๆมาก่อนเยอะแยะเลย อย่างการที่เราเห็นอนัตตานะเราเห็นขันห้าเป็นอนัตตานะถ้าเราขาดโยนิโสมอนัสิการเส อ, อย่างเดียวนะเราจะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิชื่อนัตจิกาทิฏฐิไม่มีอะไรเลยนะอนัตตาไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยนะอนัตตาแป่ได้ห้าอย่างนะแป่ได้ห้าอย่างไปห า, าเราเนะยาะแยกๆไปนะไม่มีเจ้าของไม่อยู่ในอำนาจก็ได้นะ เป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามสั่งนีแต่ได้หลายอย่างว่างจากความเป็นตัวเป็นโอเ้เกิเฉลยปวแล้วเ <c oughs> จะไปให้อ่านเองบ้างเดี๋ยวนี้สายเสียขี้เกียจนะเวลาพูดถึงหน้าตานี่มีหลายมุมว่างเปล่าสุญญาตาเนี่ยเป็นมุมหนึ่งนันว่างว่างแต่ไม่ใช่ว่างแบบไม่มีอะไรเลยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นถ้ามีเหตุมันก็มีถ้าหมดเหตุมันก็ดับ การสิ่งทั้งปวงว่างจากอะไรว่างจากตัวตนถาวรไม่มีตัวตนถาวรแต่มีไหมความเป็นตัวเป็นตนที่เกิดขึ้นเป็นคลาคลามีแต่ไม่ถาวรถ้ามีเหตุก็มีถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุงั้นไม่ใช่ว่างเปล่าแบบไม่มีอะไรเลยว่างๆแบงค์แบงค์ไม่ใช่คำ ว, ว่าว่างนั้นว่างจากความมีตัวตนถาวรว่างจากการบังคับได้ ก็ว่างลึกซึ้งลงไปนะว่างจากขันว่างจากกิเลสตัณหาเนะีงั้นบางทีฟังธรรมะนะฟังไม่ดีก็พลาดพลาดจากคุณอันใหญ่ภาษาไทยเรียกว่าชิบหายละภาษาแขกเพราะพลาดจากคุณอันใหญ่ฟนะังธรรมะต้องประนีตนะต้องประนีตถ้ารู้ด้วยว่าท่านสอนอันนี้กับใครนะจะทําให้เราเข้าใจง่ายขึ้น ทำไมถึงสอนอย่างนี้สอนแก่ใครให้เข้าใจธรรมะง่ายขึ้นเรียนธรรมะโดโดๆบางทีสับสนนะฟังเหมือนอย่างรุ่นเราเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็สอนสอนธรรมะสําหรับคนแต่ละค น, นไม่เหมือนกันหรอกเพราะการปฏิบัติแต่ละขั้นแต่ละตอนนะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันภมูมิจิตภูมิธรรมแตกต่างกันธรรมะที่ท่านสอนมันก็ต่างกันด้วยบางครั้งขั้นนี้กับขั้นนี้มันขัดกัน อย่างขั้นสมถะจิตต้องนิ่งจิตต้องเป็นหนึ่งนิ่งอยู่นัะนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งในขั้นวิปัสสนาเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์มีหกอารมณ์มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ไม่เหมือนกันหรือสุดยอดปลายทางเลยก็เป็นอีกแบบหนึ่งต้นทางก็เป็นอีกแบบหนึ่งกลางทางก็เป็นอีกอย่าง อย่างบางคนนะไม่เคยทําสมาธิมาเลยนะไม่เอายกตัวอย่างหลวงปู่ดุลก็ได้ในประวัติหลวงปู่ดุลที่เขาจดจดกันมานะที่พิมพ์รวมเล่มบอกหลวงปู่ส อ, อ, อนอย่างนั้นหลวงปู่สอนอย่างนี้ดูจิตวิธีดูจิตทําอย่างนี้วิธีดูจิตทํานี้มีตั้งหลายคนนะเขียนไว้ตั้งหลายที่นะ่ะสเปสปามากเลยไม่มีลําดับหรอก <c oughs> บอกธรรมะที่ท่านสอนคนแต่ละคนมันไม่เท่ากัน ธรรมะชั้นต้นก็มีชั้นกลางก็มีธรรมะชั้นสูงก็มีที่สุดของธรรมะก็มีสอนแต่ละคนแต่ละคนแตกต่างกันไปอย่างคนที่ไม่เคยทําความสงบในยภาวนาไม่เป็นเลยมีเด็กไปเรียนกับท่านท่านสอนดูจิตวิธีดูจิตท่านให้พุโทโธไปนะพุโทโธเรารู้ทันจิตไปนะพุโทโธเรารู้ทันจิตเนี่ยจิตก็สงบเข้ามาบอกถ้าความคิดเกิดขึ้นกนะ็ปัดทิ้งไปเลยไม่เอาเอาแต่พุโทโธอย่างเดียว งั้นถ้าใครฟังตรงนี้บอกหลวงปู่ดูลสอนดูจิตเนี่ยให้พุโทโธความคิดเกิดขึ้นให้ปัดทิ้งไปสรุปว่าหลวงปู่ดูลสอนอย่างนี้ไหมสอนแต่สอนกับคนซึ่งจะให้หัดทำสมถะงั้นธรรมนะนั้นมันหลายขั้นหลายตอนนะอย่างทีแรกมาให้พุโทโธพุโทโธนะใจหนีไปคิดรู้ทันนะไม่คิดไม่นึกอะไรสงบนแน่วอยู่ในร ม, มันเดียวอันนี้เป็นขั้นทาสมถะ นี่คนนี้สมมติคนนี้เรียนจากหลวงปู่ได้แค่นี้นะไม่ไปเรียนต่อหรือทําให้สําเร็จสักทีหลวงปู่ไม่ต่อให้ครูบาอจารย์แต่ก่อนไม่สอนยาวแต่สอนให้เป็นช็อตๆนะคนนี้ได้แค่นี้สอนอยู่แค่นี้ไม่สอนเกินเนี้ยสอนอยู่เก้าเดียวข้างหน้านี้แหละชี้เป้าวไว้เก้าเดียวนะหลวงพ่อไปหาท่านนะท่านบอกให้ดูจิตเราก็ไปดูหลวงพ่อฝึกสมถะมาแต่เด็กนะท่านบอกให้ไปดูจิตแล้วจะเห็นอริยสัจ ท่านว่ายอย่างนี้แล้วก็มาหัดดูวันเดียวนะท่านสอนตอนเช้าเก้าโมงสิบโมงตอนเย็นเย็นแล้วสี่โมงกว่าห้าโมงตัวผู้รู้ก็โผล่ขึ้นมาตัวผู้รู้โผล่ขึ้นมาเพราะเคยทําสมาธิฝึกสมถ ะ, ะมาแต่เด็กมันทําตัวรู้ง่ายตัวรู้โผล่ขึ้นมานะค่อยรักษาตัวรู้นี่ท่านบอกนี่ มเคยได้ยินเนี่ยพวกพระเล่าๆท่านให้รักษาตัวรู้ไว้อะไรเกิดขึ้นปัดทิง้งอะไรเกิดขึ้นปัดทิง้งรักษาอยู่ไปส่งกันบ้านท่านรักษาเก่งนะโดนท่านดูเอาว่าไปแทรกแซงจิตให้ไปรู้มันไม่ใช่ให้ไปแทรกแซงจิตแทรกแซงจิตไปรักษาจิตนั่นแหละไปรักษาตัวรู้นั่นแหละก็เรียกว่าแทรกแซงจิต จิตจะคิดจะนึกจะปรุงจะแต่งไม่เอาสักอย่างเดียวจิตจะปรุงดีปรุงชั่วไม่เอาจะรักษาจิตตัวเดียวโดดโตดนีโดนท่านว่าเอานะว่าภาวนาผิดถ้าไปเล่าว่ารักษาจิตไว้อย่างนี้นะไปเล่าให้บางคนที่เรียนกับท่านนะเขาจะว่าดีเยี่ยมเลยเพราะท่านสั่งให้ทําอย่างนี้นะแต่พอมาหลวงพ่อทําได้แล้วท่านบอกมันผิดอีกแล้วอย่งพวกเรามาเรียนกับหลวงพ่อรู้สึกไหม หลางพ่อบอกทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นะพอมาส่งกันบ้างทําอย่างนี้นะอย่างนี้นะต้องต่อไปอีกนะไอ้ที่ทําอยู่เดิมผิดไหมไม่ผิดหรอกแต่ใช้ไม่ได้ <c oughs> แต่บันไดขั้นที่หนึ่งสำคัญไหมชะ เ, เอาบันไดขั้นที่สิบเลยได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมก็มาเป็นลําดับลําดับแต่บันไดขั้นที่หนึ่งบันไดขั้นที่สองความสูงมันไม่เท่ากันแต่อยู่ๆข้ามขั้นก็ข้ามไปไม่รอดหรอก บางคนท่านสอนให้รักษาจิตไวนะ้ประคองรักษาตัวผู้รู้ปัดความคิดปรุงแต่งทิ้งไปพอหลวงพ่อไปทำอย่างนั้นโดนดูว่าไปแทรกแซงจิตหลวงพ่อก็เลยปล่อยให้จิตมันทำงานแล้วเรามีสติรู้นะมีสติรู้ไปให้จิตมันทำงานแล้วเรามีสติรู้ทันไม่เข้าไปคลุกวงในกับมันนะดูมันทำงานไปดูไปดูไปก็เห็นว่าจิตมันตั้งมั่นอยู่ เห็นอะไรอะไรมันก็โผล่ขึ้นกลางหน้าอกนี่แหละใครเคยเห็นกิเลสโผล่กลางหน้าอกไหมยกมือซิยกมือซิถ้าไม่เห็นก็ดูไม่เป็นอ่ะกิเลสโผล่ตรงนั้นแหละไม่ได้โผล่ที่อื่นหรอกโผล่ขึ้นมากลางอกอาจารย์มหาบัวบอกทำแท้เกิดขึ้นกลางอกอะไรที่เป็นทำแท้ก็ปรมาธรรมทำแท้รูปธรรมรูปธรรมเกิดที่กลางอกไหมไม่ใช่รูปธรรมไม่ใช่อกนามธรรมนามธรรมทั้งหลาย นำมาทําที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลนี่ทำแท้นะกุศลก็เป็นทำแทอกุศลก็เป็นทำแท้ ก, ก, ทแทก็ทั้งมรรคผลก็เป็นทำแทโลกุตระธรรมก็ทำแท้โปร่ขึ้นกลางอกนะมันไม่โปรดที่ที่น้นที่นี่หรอกมันผุดขึ้นจากตรงนี้แนะหละหลวงพ่อก็ไปดูนะจิตเป็นคนดูตั้งมั่นอยู่เห็นมันโปรเรื่อยๆชักเริ่มสงสัยไอ้จิตมันดูเป็นคนดูอยู่ข้างบนนะไอ้ตรงที่ทํางานอยู่ข้างล่าง หลวงปู่บอกว่าดูจิตดูจิตไม่ น, น่าจะมันดูตัวบนนะเขาพูดให้เจ้าให้รู้ทุกข์รู้ทุกข์ตัวนี้มันทุกข์นะโผล่ขึ้นมาจากข้างล่างนี่ตัวปลุงนี่นตัวทุกข์ดูตัวไหนวนะหรือว่าจ้องอยู่ตัวนี้ทีแรกนึกว่าให้จ้องไว้ที่นี่ทีแรกพอนึกว่าให้จ้องนี้ไปถามหลวงปู่หลวงปู่ครับจิตมันอยู่ที่ไหนนึกว่าท่านจะท่านจะตอบว่าอยู่กลางอกท่านบอกจิตไม่มีที่ตั้งฟังแล้วยิ่งงงมากกว่าเก่าอีก หลวงปู่สอนหล่ว่าหลวงปู่บอกให้ดูจิตแล้ว่ากจิตไม่มีที่ตั้งตั้งแล้วงอ่ะท่านไม่อธิบายนะท่านให้เราเภาวนาถ้าทำผิดแล้วท่านก็บอกอ่างอ่ะภาวนาไปเรื่อยๆนั้นบางคนนะบอกหลวงปู่ดูนสอนบอกให้ประคองจิตให้นิ่งให้ว่างไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งก็ถูกแต่ถูกในขั้นสมถะ บางคนหลวงปู่ก็สอนมีจิตตั้งมั่นนะเห็นสภาวะธรรมสังขารทั้งหลายมันปรุงไปสัญญามันทำงานไปเวทนามันทำงานไปนี่ทำอยู่ที่จิตที่เป็นสัญญากสังขารแล้วก็เวทนาที่นำมาทำที่ทำงานอยู่ที่กายก็มีแต่เวทนาที่ท่านสอนดูจิตดูใจแล้วก็เห็นเดี๋ยวสังขารก็ทำงานเดี๋ยวสัญญาก็ทำงานเดี๋ยวเวทนาก็ทางานก็ปรุง ปรุงสุขปรุงทุกปรุงดีปรุงชั่วปรุงอยู่ที่จิตนเองอย่างเรานั่งอยู่เฉยเนยนะอยู่ๆหน้าของคนคนหนึ่งก็โผล่ขึ้นมานี่สัญญามันทำงานขึ้นมาหน้าคนนี้โผล่ขึ้นมาปุ๊บสังขารปรุงเลยคนนี้ดีคนนี้สวยเราชอบนี่ใส่ดีคนนี้ไม่ดีเคเรเกลียดมันนีสังขารปรุงเป็นความชอบความไม่ชอบอะไรขึ้นมาอปรุงแล้วสัญญาก็ทำงานต่ออีกคราวนี้ทำงานหลอก ลึกซึ้งไปหลงว่ามีตัวมีตนจริงๆเป็นคนจริงๆนะเขาที่เราคิดถึงเนี่ยเป็นคนจริงๆเราที่ไปคิดถึงเขาก็เป็นคนจริงๆนี่สัญญาหลอกซ้อนลึกซึ้งเข้าไปไปลำดับลาดับที่แรกแค่บอกว่าเป็นใครท่านนนะ่ะแล้วก็ปรุงไยจำพฤติกรรมเขาได้ก็มาปรุงต่อเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลขึ้นที่จิตแล้วสัญญาก็ไปหมายรู้ผิดๆว่ามีเรามีเขาขึ้นมา มันทำงานมันหลอกกันนะหลอกกันไปหลอกกันมาเมื่อทีเวทนาก็าทำงานขึ้นมาก่อนพอเวทนาทำงานขึ้นมาก่อนสัญญาก็ไปทำงานาสังขารก็ไปปลุงท่านถึงไล่เวทนาสัญญาสังขารแต่เวลาเกิดมันเกิดร่วมกันนะทั้งเวทนาสัญญาสังขารเนนะี่ยเกิดพร้อมกันเกิดในขนาดเดียวกันแต่ความเด่นในแต่ละช่วงจะต่างกันถ้ามีภาษา ที่แรงหน่อยเวทนาเด่นขึ้นมาสัญญาทํางานต่อสังขารปรุงต่อนี่จิตจะรับรู้ไปงั้นท่านไล่ตามลําดับเป๊ะๆ เ, เลยจากการที่เราจะภาวนาเห็นมันไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไล่เป็นลําดับธรรมะของท่านงามงามหมดจดจริงๆเลงามไม่มีอะไรเหมือนเลยธรรมะของท่านเนี้ออยอมตะจริง นี่พอเราภาวนานะเราเห็นขันทั้งหลายมันทํางานไปเห็นจิตมันทํางานจิตทํางานคนเดียวไม่ได้จิตต้องทํางานร่วมกับเวทนาทํางานร่วมกับสัญญาทํางานร่วมกับสังขารงั้นที่ว่าดูจิตดูจิตไม่ใช่ปฏิเสธเวทนาสัญญาสังขารถ้าไปปฏิเสธเวทนาสัญญาสังขารไปเพ่งจิตอยู่ดวงเดียวเป็นสมถะอีกละเดินผิดทางอีกแล้กลายเป็นทำสมถะโดยไม่รู้ตัวนึกว่าทํำมิปัสนานี่แหละดูจิตดูจิตแหละ ดูจิตอางนั้นเป็นสมถะไปเพียงตัวผู้รู้นิ่งอยู่เฉยๆใช้ไม่ได้ดูไม่เป็นหรอกอย่างบางคนได้ยินว่าดูจิตดูจิตนะปฏิเสธเลยว่าใช้ไม่ได้เป็นสมถะเพราะไม่รู้วิธีดูจิตที่เป็นมิปัสนามคนละแบบกันหรือพอได้ยินว่าหลวงปู่บอกประคองจิตให้นิ่งให้ว่างเฮ้ยนี่มันสมถะนั้นดูจิตนี่เป็นสมถะดูจิตบางอย่างเป็นสมถแะแต่ดูจิตให้เป็นมิปัสนาก็าคือเห็นกระบวนการทํางาน ของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำงานร่วมกันอยู่เดี๋ยวก็ปรุงดีเดี๋ยวก็ปรุงชั่วเดี๋ยวก็ปรุงสุขเดี๋ยวก็ปรุงทุกปรุงสุขปรุงทุก็เป็นเวทนาปรุงดีปรุงชั่วก็เป็นสังขารจิตนั้นไม่ได้เกิดเดี่ยวเดียวจิตต้องเกิดร่วมกับเวทนาจิตบางดวงมีความสุขนะมีเวทนาคือความสุขเรียกสมนัเวทนามีสังขารคือราคะ mm. ในนี้ก็ได้ มีความสุขนะมีสังขารเป็นกุศลก็ได้จิตเป็นอุเบกขามีสังขารเป็นโมหะก็ได้นะมีสังขารเป็นโลภะก็ได้หรือมีสังขารเป็นกุศลก็ได้กุศลก็เป็นอุเบกขาได้มีเวทนาเป็นอุเบกขาได้บางทีจิตก็ปรุงทุกข์ขึ้นมาจิตปรุงทุกข์เนี่ยต้องเป็นอกุศลอย่างเดียวโทมนัสเวทนาจิตที่ปรุงโทมนัสเวทนาเนี่ยเกิดร่วมกับโทสะเท่านั้น จะต้องปรุงโทสะไม่มีอย่างอื่นเลยไม่ใช่ราาักะไม่ใช่โมหะเดี่ยวๆแต่เป็นโมหะเกิดร่วมกับโทสะจิตถึงจะมีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นได้นี่เราเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะเราจะเห็นว่ามีแต่สภาวะธรรมที่เกิดร่วมกันทำงานร่วมกันแบ่งหน้าที่กันทำงานใครๆก็มีหน้าที่ของตัวเองโดยเฉพาะกระทั่งจิตก็มีหน้าที่โดยเฉพาะคือรับรู้ จิตคือตัวบินญาณทำหน้าที่รับรู้แต่มันชอบแทรกแซงคนอื่นร่างกายไม่แทรกแซงใครเวทนาไม่แทรกแซงใครสัญญาไม่แทรกแซงใครนะสัญญาได้แต่หลอกนะสังขารไม่แทรกแซงใครแต่จิตนี่ชอบแทรกแซงคนอื่นเช่นแทรกแซงเห็นร่างกายแก่ไม่ชอบเห็นร่างกายเจ็บไม่ชอบนี่แทรกแซงเขาไหมดเลยมีความสุขขึ้นมาชอบมีความทุกข์ไม่ชอบมีกุศลขึ้นมาชอบ มีอากุศลไม่ชอบมีไหมมีอากุศลแล้วชอบมีไหมมีบางคนมันชอบอากุศล น, นะไม่งัน้นจะหลงโลกเต็มโลกอย่างนั้นเลยหลงอยู่กับอกูสนนะรู้สึกมันชมัดเลยชีวิตของคนเข้าวัดเนี่ยแห้งแล้งกันดารเงียบเหงาว้าเวอกหักรักสลายเ น, นะอะไรเงี้ยก็คิดว่าคนเข้าวัดเนี่ยหาความสุขไม่ได้อยู่กับโลกอยู่กับกิเลสโอ้ยมันสะใจสนุกใช่ไหม กิเลมนหลอกนะหลอกอยยาไปว่าเขาแล้วกันเพราะเขารู้แค่นั้นอ่ะเขาไม่รู้ความสุขที่ประณีษเหนือวันนั้นนี่เรามาดูนะมาหัดดูขันทั้งหลานยะเดยวะธวนาก็ทํางานเด่นขึ้นมาเดี๋ยวสัญญาก็ทํางานเด่นเดี๋ยวสังขารความปรุงดีปรุงชั่วก็ทํางานเด่นนะจิตก็เป็นคนรับรู้แต่ไม่ชอบรู้อย่างเดียวเลยชอบวุ่นวายชอบแทรกแสงด้วยชอบยินดียินร้าย เวลาจิตยินดียินร้ายเนี่ยนึว่จิตทําเกินหน้าที่จิตควรจะทําหน้าที่รู้แต่ดันไปทําหน้าที่ยินดียินร้ายให้เรารู้ทันเองทํางานเกินหน้าที่แล้วยินดียินร้ายเป็นเรื่องของสังขารให้จิตรู้ทันเข้าไปแล้วจิตก็ทําหน้าที่รู้ขันแต่ละขันก็ทําหน้าที่ของมันเองไม่ก้าวไกลกันนะขันแต่ละขันจะสอนไตรลักษ์เราสอนธรรมะเราชัดๆเลยเห็นชัดๆเลย รูปกสอนธรรมะสอนไตรลักษณ์ความรู้สึกสุขทุกข์ก็สอนไตรลักษณ์สัญญาความจําได้กับความหมายรู้ก็สอนไตรลักษณ์สังขารความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วก็สอนไตรลักษณ์จิตที่เกิดดับทางทวารต่างๆเรียกว่าวิญญาณวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางใจจิตที่เกิดดับทางทวารต่างๆก็สอนใจรลักษสอนเรื่องเดียวกันหมดเลยเพะฉะน้นใครจะเห็น ร่างกายบ่อยมีกลายเป็นวิหารธรรมก็ได้ก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์คนไหนถนัดดูเวทนาก็ดูเวทนาก็จะเห็นทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์คนไหนถนัดดูจิตที่เห็นสังขารกับจิตนั้นทํางานร่วมกันไม่ได้ดูจิตเดี่ยวๆนะแล้วถ้าสติปัญญาแก่กล้าพอก็จะเห็นจิตเกิดดับทางทวารทั้งหเห็นไหมจิตไม่ได้ แ, แยกออกจากเจตสิกได้แยกออกจากสังขารได้ลนะคือเหลือจิตแต่ว่าจิตนั้นนะ มันก็ยังเกิดดับให้เราเห็นได้นะโดยการดูผ่านอายตนะบาที่จิตเกิดที่ตามาีจิตเกิดที่หูบาทีคือจิตเกิดที่ใจถ้าตัวจิตเดี่ยวๆดูยากนะว่าเกิดดับแต่ถ้าดูเป็นก็ดูได้มันจะรู้เลยมีความรับรู้เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับวับแล้วก็รับรู้แล้วก็ดับปั๊บใครเคยเห็นอย่างนี้มั้งดับแล้วจะมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นนะถ้าเราเห็นถึงขนาดนเนี้ยเนี่ยสัน ต, ติขาดแล้ว เวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีต้องได้มากผลนิพพานบ้างแหละก็สวดขั้นใดขั้นหนึ่งนะอาจจะไม่ถึงพระอรหันต์บารมีเราอ่อนกว่าคนสมัยพุทธกาลที่เขาเจอพระเจ้าแล้วเขาสร้างความดีมาทุกคนที่เจอพระเจ้าเป็นบุญไหมเห็นพระพุทธเจ้าเป็นบุญแน่เลยแต่เจอแล้วได้บุญไหมไม่แน่บางคนลงอเวจีมาละวนะคนตกนรกหมกไหมมาแล้ไม่แน่ พวกเราไม่ได้เห็นก็หมดโอกาสทำบาปบางอย่างไปนะงั้นไม่เศร้เสียใจไม่เห็นมันพอดีสำหรับเราแล้วก็เราก็เจียมตัวหน่อยบารมีเราน้อยไม่เหมือนพระสาวกที่ดีของพระพุทธเจ้าแต่บารมีเราก็มากมากกว่าไอ้พวกที่ไปก่อกวนพระพุทธเจ้าเราก็ไม่น้อยใจมากนะก็มีแค่นี้ฮะ มีบุญบารมีอยู่แค่เนี้ยก็มาเรียนเอาถ้าคนไหนอยากจะรู้สึกเท่มีบารมีมากนะเรียนไปก่อนอย่าเพิ่งบรรลุอะไรนะพอไปเจอพระสียาแล้วบรรลุเร็วเดี๋ยวท่านชมโอ้บรรลุเร็วอะไรเงี้ยความจริงมันช้ามาแต่ยุค ก, ก่อนๆ <c oughs> ถ้าไปธรรมดาของเรานะภาวนาของเราไปเรื่อยๆดูขันมันทํางานไปนะแยกธาตุแยกขันกายส่วนกายเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ เกิดขึ้นในกายบ้างเกิดขึ้นในจิตบ้างก็ส่วนของเวทนาไม่เกี่ยวกับใครทําหน้าที่รู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ไปงั้นรู้สึกเฉยเฉยนะสัญญาทำหน้าที่จําได้กับหมายรู้สองอันนะจําได้กับหมายรู้ไม่เหมือนกันจําได้เช่นจําได้ว่านี่สีเขียวนี่สีแดงนี่จได้นะจได้ซ้อนลงไปอีกชั้นหนึ่งสีเขียวเป็นสั ญ, ญลักษณ์ให้ขับรถไปได้นะ สีแดงเป็นสั ญ, ญลักษณ์ว่าไม่ให้ไปเป็นสมมุติซ้อนสมมุติเข้าไปจำสัญญาซ้อนเข้าไปหมายรู้หมายถึงอะไรหมายรู้มีหลายระดับนะหมายรู้เบื้องต้นเป็นการวิเคราะห์เอานะว่าสิ่งซึ่งพบซึ่งเห็นอยู่นียน่าจะเป็นอะไรไม่เคยเห็นแต่ว่ามีข้อมูลเดิมที่เอามาเทียบเคียงอย่างเด็กเล็กๆ เ, เคยรู้จักแมวในบ้านมีแมวพนอะมาที่สวนเสือเห็นเสือ เด็กก็หมายรู้เลยว่านี่คือแมวอาจจะหมายรู้ผิดก็ได้นะแต่มันหน้าตาเหมือนเหมือนกันเพียงแต่ลายมันไม่เหมือนกันเทานั้นท่าทางอะไรก็เหมือนกันเวลาเล่นก็เล่นเหมือนกันอย่างนี้ก็เรียกว่าหมายรู้หมายรู้อีกอย่างหนึ่งหมายรู้ลึกซึ้งเข้าไปอีกนะหมายรู้อย่างอื่นไม่เท่าไหร่หรอกแค่จําทางผิดเน้นจำว่านี่ถนนนี้ไปไหนไหนะจําทางผิดก็ไม่เท่าไหร่อเดี๋ยวไปผิดทางก็มาเดินใหม่ หมายรู้อีกชนิดหนึ่งนีน่ากลัวหมายรู้ชนิดที่เรียกว่าวิปลาสเลยเห็นของไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างามนี่สัญญาวิปลาสล้หมายรู้ผิดอย่างร้ายแรงหมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยงนะอย่างจิตใจของเรานี่ไม่เที่ยงนะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยเรากับรู้สึกว่าจิตของเราเที่ยงจิตของเราดวงนี้ก็จิตของเราตอนเด็กๆเป็นดวงเดียวกันนี่หมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยงวิปราสอย่างร้ายแรงหมายรู้สิ่งซึ่งเป็นทุกข์ว่าเป็นสุข เห็นว่ามันมีความสุขรู้สึกไหมร่างกายเราเนี่ยมีความสุขเป็นช่วงๆนะนานๆมีความทุกข์ทีนี่หมายรู้ผิดนะถ้าหมายรู้ถูกก็จะรู้ว่ามีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่มีทุกข์กับสุขจิตใจก็มีแต่ทุกข์มากทุกข์น้อยไม่ใช่มีทุกข์กับสุขเราหมายรู้ผิดผิดอยู่ว่ามันเป็นทุกข์บ้างสุขบ้างใครก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมรู้สึกไหมร่างกายเนี่ยทุกข์บ้างสุขบ้างเนี่ยหมายรู้ผิดมันสติปัญญาไม่พอะ หมายรู้ของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะว่าเป็นตัวเป็นตนนั่งภาวนาก็อยากจะเอาชนะเวทนาจะเอาชนะกิเลสคิดแต่จะเอาชนะอะไรต่ออะไรนะสุดท้ายก็แพ้ทุกทีแหละใครจะเอาชนะกิเลสไม่มีใครเอาชนะกิเลสหรอกนถ้าฉลาดพอจิตมันไม่ปรุงกิเลสไม่ต้องเอาไปชนะมันหรอกมีสติมีปัญญาขึ้นมาไม่มีกิเลสจะให้เอาชนะให้กิเลสโผล่ขึ้นมาแล้วไม่เห็นใครชนะมันเลยมีแต่ชนะอันหนึ่งก็โดนมันหลอกนะพอ เอาชนะโทรศัพท์เกิดขึ้นข่มใจไม่ได้ไม่ตีเขาไม่ด่าเขากูเก่งขึ้นมาอีล้วเกิดมาหน้าขึ้นมาแทนเนี่ยมันพลิกรูปพลิกโฉมมันหลอกประณีตมากเลยกิเลสเราตามรู้ตามดูลงไปนะตามดูไปสังขารความปรุงดีปรุงชั่วอะไรก็แสดงไตรลักษณ์จิตก็แสดงไตรลักษณ์เดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตก็ดีเดี๋ยวจิตก็ชั่วเดี๋ยวจิตเกิดที่ตาเดี๋ยวจิตเกิดที่หูเดี๋ยวจิตเกิดที่ใจ เนทุกอย่างมีแต่เกิดดับแสดงใจลักอยู่ในธาตุในขันทั้งในกายในเวทนาในสัญญาในสังขารคือความปรุงของจิตทั้งในตัวจิตเองก็เกิดดับนี่เฝ้ารู้เฝ้าดูของดีไปนะของจริงนี่แหละดีวิเศษที่สุดเลยถึงรู้ความจริงแล้วจิตจะปล่อยวางขันปล่อยวางขันแล้วจิตที่ว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแตง่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างห <c oughs> ลวงปู่ดูลก็สอนตรงนี้ไว้ได้วย แต่นี้ปลายทางแล้วบางคนได้ยินตรงนี้นะก็ามาทำนะทาไงจิตจะว่างสว่างบริสุทธ์นะยศสว่างได้ไงไอ้ตรงที่อยากทำนะั่นแหละกิเลสเนะีนะ่ยงั้นเวลาฟังธรรมะนะต้องรู้ขั้นรู้ตอนนะอย่างหลวงปู่ ด, ดูลสอนขั้นสมถะดูจิตอย่างนี้ขั้นวิปัสสนาดูจิตอย่างนี้ขั้นผลแล้วถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วจิตใจมันเป็นอย่างนี้นะอย่าไปปนกันมั่ว ตอนที่จะลงมือปฏิบัติเนี่ยต้องจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคไม่ใช่จิตรักษาจิตไม่ใช่จิตตระคองจิตเป็นมรรคนะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์เห็นอย่างอื่นเห็นไม่ได้ใช้ไม่ได้เห็นตัวจิตนี่จะเป็นสมถะจะเพ่งตัวจิตขันเนี่ยถ้าเราไปเพ่งตัวขันนะเป็นสมถะทั้งหมดเลยจิตเทเหมือนกันเราไปเพ่งจิตก็เป็นสมถะไปเพ่งลมหายใจก็สมถะเพ่งท้องก็สมถะถ้าเพ่งใส่ตัวขันเป็นสมถะหมดเลย ถ้าดูมันแสดงใจลักถึงจะเป็นมิปัสสนานะะถึงที่สุดมันก็ว่างว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรซักอยังแต่ก็เหลืออยู่แต่ไม่ยึดถือนะเหลืออะไรสิ้นโลกเหลือธรรมนะสิ้นขันเหลือธรรมสนะิเป็นธรรมธาตุมันธาตุธรรมนะจิตที่สัมผัสธรรมธาตุมีความสุข เหลืออะไรอีกเหลือความสุขพระอะไรพระธรรมธาตุนั้นนิพพานนั้นนะเป็นบรมสุขไม่มีอะไรสุขเท่านิพพานจิตไปเห็นนิพพานจิตมีความสุขที่สุดเลยนะจิตกับนิพพานคนละอนกันนะจิตกับนิพพานเป็นคนละอันกันแต่พอถึงที่สุดแห่งทุกขนะ์แล้วมันเหมือนจิตกับนิพพานรวมเป็นอันเดียวกันขึ้นมาอยู่ด้วยกันนะพวกเราไปทานข้าวไป